เกรู้กายแต่ดับเหตุที่มีกรรมไม่ได้ฌานก็ไม่มีหรือยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกรรมยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นฌานถูกต้องทองแท้เพียงพอ จึงปฏิบัติลดละกิเลสกรรจัดกิเลสในขณะสัมผัสด้วยทวานรห้ายังไม่เป็นยังเห็นปั ส, สติตัวตนของกิเลสยังไม่ได้ยังเห็นปั ส, สติแม้แค่กายของตนคือสักกายยังไม่สำเร็จ จึงไม่เป็นโรคุตรธรรมตั้งแต่สังโยชน์ข้อที่หนึ่งคื อ, อยังไม่พ้นสากกายยทิฐิแม้ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันทิฏฐะธรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถเห็นนิพพานในปัจจุบันนั้นทิฏฐะธรรมนิพพานแน่ๆเลยเพราะฉะนั้น เพราะปัจจุบันนั้นไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์อยู่พร้อมทั้งห้าทวารลืมตามีทั้งทิศตะสูตะมุตะได้อยู่เจองแม่รู้แจ้งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกและภายในอยู่หลัดหลัดในบัดนั้น นั่นคือไม่มีความจริงของภาวะกามกุฎห้าเยืนยันอยู่โทนโท่เต็มสภาพเพราะวิปัสนาญาณหรือวิ ช, ชาข้อที่หนึ่งที่เห็นหลัดหลัดทรงทรงในความเป็นกายเวทนาจิตธรรมอย่างไม่สามมาทิฏฐิเพียงพอ จึงยังไม่บ ร, ริบูรณ์ในการปฏิบัติธรรมแบบพุทธเพราะเป็นผู้ไม่มีสัมผัสวิโมกข์แดด้วยกายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องครบความเป็นกายสักขีคือมีกายยืนยันต้งต้งเป็นพยานวิโมกข์แปดนั้นต้องเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนาม และต้องเห็นทั้งภายนอกการมาพบเห็นทั้งภายในลึกเข้าไปทั้งรูปและอรูปในขณะที่มีความเป็นกายคือธรรมะสองตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นที่สุดตั้งแต่กามถึงรูปและอรูป ตลอดจนถึงขั้นสัญญาเวทยิตสะนิโรธทีเดียวจึงจะครบบริบูรณ์การสัมผัสวิโมก8ด้วยกายตลอดครบวิโมก8ต้องมีกายอยู่พร้อมจนกระทั่งถึงนิโรธขั้นสุดท้ายปลายจบกันโน่นทีเดียวดังนั้นใครหรือนักปฏิบัติทำใด แม้จะมีตานอกแล้วปฏิบัติในขณะลืมตาแล้วรู้ความเป็นกายแล้วแต่ยังไม่รู้จักอาการจากภาวะทิฏฐะได้เห็นสุตะาได้ยินมุตะได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเสยดสภีภายนอกภายใน ก็อย่างมิจฉาทิฐิในเรื่องการเรื่องฌานนั่นคือไม่มีความจริงอยู่แท้ๆที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันอยู่หลาดๆครบพร้อมอันเกิดอยู่ในจิตขณะนั้นเพราะเมื่อไม่รู้กามไม่รู้ฌาน มันก็ทำกรรมให้หมดไปแล้วจะเกิดฌานขึ้นในจิตมันก็ไม่เกิดไม่เป็นไม่ได้ใช่ไหมซึ่งอารมณ์ที่มีกรรมเป็นตัวการปรุงแต่งจิตอยู่เป็นกรรมสดๆขณะปัจจุบันนี้มันสดๆนะไม่ใช่อารมณ์กรรม ที่เกิดเฉพาะขณะมีแต่การรับรู้ตอนอยู่ในผวังและรู้ด้วยสัญญาเท่านั้นเป็นการรู้ในขณะที่ไม่มีสัมผัสภา ย, ภายนอกจริงเลยนั้นนะนั่นมันแห้งๆขณะนี้มันมีตาหู จมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่หลัดหลัดครบพร้อมทนโทษสดสดแต่ตนเองยังอ่านอาการที่เป็นกามกุณ5าในปัจจุบนันขณะที่มีสัมผัสขณะลืมตานี้ยังไม่เป็นก็ดีหรือเผลอสติกำหนดไม่ทันก็ตาม ก็คือยังไม่เห็นความเป็นกรามสดๆนั้นก็กาจัดมันไม่ได้หรือไม่ได้กาจัดมันใช่ไหมล่ะเมื่อดับเหตุที่มีกรารมไม่ได้ไม่มีผลบ้างเลยชานก็มีไม่ได้